พระสวตะว่าด้วยวัด18ปข้อในปปพาชนิยกรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถูกสงลงปปพาชนิยกรรมพึงประพฤติชอบการประพฤติชอบในเรื่องนั้นดังนี้หนึ่งไม่พึงให้อุปสมบทสองไม่พึงให้นิสัยสามไม่พึงใช้สมณเณรอุปถากสี่ไม่พึงรับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี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 12. ไม่พึงงดประเวณาแก่ปะกะตตะพิสุ 13. ไม่พึงทาการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มอนุวาธาทิกรสิ15ไม่พึงขอโอกาสพิสุอื่น 16. ไม่พึงโจทย์พิสุอื่น17ไม่พึงให้พิกสุอื่นให้การ 18. ไม่พึงชักชวนกันก่ อ, กอความทะเลาะอัทธารสวัตตะในปปพาชนียกรรมจบ ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรกับพระโมคคานะเป็นประธานเดินทางไปกีตาคิรีชนบทได้ลงปภาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่ออาสชิและปุณณพสุกะให้ไปจากกีตาคิรีชนบทว่าภิกษุชื่ออาสชิและปุณณพสุกะไม่ควรอยู่ในกีตาคิรีชนบทภิกษุชื่ออาสชิและปุณณพสุกะถูกสงลงปปาชนียกรรมแล้วก็ยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเยื่ยยิง่ง ไม่ยอมกลับตัวไม่ขอข ม, มาพวกภิกษุยังด่าบริภาษารกสงใส่ความว่าทำเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวหลีกไปบ้างศึกไปบ้างภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตําหิประนามโพลทนาว่าจะไหนภิกษุชื่ออาสชิและปุณณปสุกะถูกสงลงปภาชนยกรรมแล้วก็ยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเย่ยยิง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 ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุชื่ออัสชิและปุณณะสุกะถูกสงลงปภาชนียกรรมแล้วยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเย่อหยิงไม่ยอมกลับตัวไม่ขอข ม, มาผู้ภิกษุยังด่าปริอภาการโรคสงใส่ความว่าทําเพราะความชอบเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวหลีกไปบ้างศึกไปบ้างจริงหรือ ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรภิกษุทั้งหลายฉันไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นถูกสงลงปรปภาชนิยกรรมแล้วยังไม่ยอมประพฤติชอบไม่หายเยื่ยิงไม่ยอมกลับตัวไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลายยังด่าบริภาคการกสง์ใส่ความว่า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 ปฏิปัสัมเพตพระอัธรักกะว่าด้วยองค์ส8แปของภิกษุที่สงไม่พึงระงับปปพาชนียกรรมหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับปปพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. ให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สมณีอุปถาก 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสงไม่เพึง ร, งระงับปับพาชนยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงไม่พึง ร, งระงับปับพาชนยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปับพาชนยกรรมอีก 2. ต้องอาบัตอื่นทานองเดียวกัน ต้องอาบัติที่เลวสมกว่านั้น 4. ตําหนิกรรม 5. ตําตหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุทั้งหลายทรงไม่พึงระงับปัปพาชิเนกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลมัวที่สภิกษุทั้งหลายทรงไม่พึงระงับปัปพาชิเนกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. ง, งดอุโบโสถแก่ปะกะตตะภิกษุ 2. งดปรวรณาแก่ประกะตัตะตะพิกษุ 3. ทำการไต่สวน 4. เริ่มอนุว า, าทาธิกร 5. ขอโอกาสพิษุอื่น 6. โจทย์พิษุอื่น 7. ให้พิกษุอื่นให้การ 8. ชักชวนกันก่อความทะเลาะพิกษุทั้งหลายทรงไม่พึงระงับปภาชนนกกรรมแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แล นับปฏิปสัมเพตพระอัฐารสกะในปบพาชนียกรรมจบปฏิปสัมเพตพระอัฐารสกะว่าด้วยองค์ส8ของภิกษุที่สงพึงระงับปบพาชนียกรรมหมวดที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับปปพาชินิกกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. ไม่ให้อุปสมบท 2. ไม่ให้นิสัยสไม่ใช้สามเณรอุปถาก4ไม่รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีหแม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายทรงพึงระ ง, งับปปพาชินิกกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แล มัวที่สองพิสุทั้งหลายสงพึงระ ง, งับปัปพาชนียกรรมแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงปัปพาชนิยกรรมอีก 2. ไม่ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกันสมไม่ต้องอาบัตที่เลวสามกว่า น, นั้นสไม่ตําหนิกรรม5ไม่ตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุทั้งหลาย สงเพึงระงับปปพาชยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเพึงระงับปปพาชยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. ไม่งดอุโบโสถแก่ปะกะตตะภิกษุ 2. ไม่งดปวารณาแก่ปะกะตตะภิกษุ 3. ไม่ทําการไต่สวนสไม่เริ่มอนุวาทาธิกร หไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น6ไม่โจทย์ภิกษุอื่น7ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ8ไม่ชักชวน ก, นกันก่อความทะเละภิกษุทั้งหลายทรงพึงระงับปัปพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แลปฏิปัสัมเพตพระอัฐารสกะในปัปพาชนียกรรมจบ ทีท่ระงับปัปพาชียกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายทสงพึงระงับปัปพาชียกรรมอย่างนี้เคยภิกษุผู้ถูกสงลงปัปพาชียกรรมพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวงบาข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แกลแรนสาทั้งหลายนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงปัปพาชียกรรมแล้ว กลับประพฤต ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับปัปพาชียกรรมพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สามภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติจตุตกรร ม, มาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงปัพาชียกรรมแล้วกลับระพฤต ช, ชอบหายเย่อหยิง่ง กลับตัวได้ขอระ ง, งับปับพาชียกรรมถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระ ง, งับปับพาชียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงปับพาชียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยะ่ยิงกลับตัวได้ขอ ร, งงระรร ง, ร ง, งับปัพาชียกรรมสงระงับปัพาชียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้ว ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับปรบภาชนียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าและถึงแม้ครั้งที่สามาพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงปรปภาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบ หายเยื่ยยิงกลับตัวได้ขอระงับปัปพาชียกรรมสงระงับปัปพาชียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับปัปพาชียกรรมแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห uh, ็น <necessary> ด <guide terms> ้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงปัปพาชียกรรมสงระงับแล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ปบพาชนิยกรรมที่สาจบสี 4. ปฏิสารณิยกรรมเรื่องพระสุธรรมสมัยนั้นท่านพระสุธรรมเป็นพระนักก่อสร้าง รับพัฒนารประจําในอาวาสของจิตตะคะปฎีเมืองมจิกาสลทุกครั้งที่จิตตะาะดีต้องการนิมนต์สงฆ์คณะหรือบุคคลถ้ายังไม่เรียนให้ท่านสุธรรมทราบจะไม่นิมนต์ต่อมาพระเทระหลายรูปคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกติกะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะ ท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตตะท่านพระอุบาลีท่านพระอานนท์และท่านพระราหุลเที่ยวจะลึกไปแคว่งกาสีลุ่ถึงเมืองมัจจิกาสนจิตตะาบดีต้อนรับพระอคันตุกะจิตตะาบดีทราบว่าพระเถระหลายรูปเดินทางมาถึงเมืองมัจจิกาสนแล้วครั้งนั้นจิตตะาบดีเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายที่สำนัก ไหว้แล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้จิตตะาพดีผู้นั่งณที่สมควรให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาจฐานแกล้วกล่ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาลำดับนั้นจิตตะ่าพดีผู้ซึ่งพระสารีบุตรเถระชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจใหอาฐานแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมยกถาแล้วจึงกราบราตนาพระเถระว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับอคัญตุกะพัทของกระผมเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นเถิดพระเถระรับคำนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นเขาทราบว่าพระเถระรับคำนิมนต์แล้วได้ลุกขึ้นไหวพระเถระทั้งหลายทำประทักษิณ แล้วก็ไปหาท่านพระสุธรรมว่าแล้วยืนณที่สมควรเรียนท่านพระสุธรรมว่าท่านผู้เจริญนิมนต์รับประาหารของกระผมเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับพระเถระทั้งหลายเถิดลําดับนั้นท่านพระสุธรรมคิดว่าแต่ก่อนจิตตะาบดีนี้เมื่อต้องการจินนิมนต์สงฆ์คณะหรือบุคคลก็ต้องบอกเราก่อนทุกครั้งแต่เวลานี้ กลับไม่บอกเราก่อนแล้วไป น, นิมนต์พระเถระทั้งหลายบัดนี้จิตตะาบดีคงจะโกรธไม่สนใจใหญ่ดีเบื่อนายเราเสียแล้วจึงตอบว่าอย่าเลยจิตตะาบดีอาตมาไม่รับนิมนต์แม้ครั้งที่สองจิตตะาบดีก็กราบเรียนท่านพระสุธรรมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญนิมนต์รับพัฒหารของกระผมเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้น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 เวลานั้นจิตตะคาบดีคิดว่าพระสุธรรมจะรับหรือไม่รับนิมนต์ก็ทำอะไรเราไม่ได้ไหวพระสุธรรมแล้วทาประทักษิณจากไปพระสุธรรมวิวาทกับจิตตะาบดีครั้นล่วงราตรีนั้นไปจิตตะค่าบดีให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตไว้ถวายภิกษุผู้เทระทั้งหลายสมัยนั้นท่านพระสุธรรมคิดว่าถ้าใไร เราควรตรวจ ด, ดูของเคี้ยวของฉันที่จิตตะค้าบดีเตรียมถวายภิกษุผู้เถระทั้งหลายพอถึงเวลาเช้าจึงนุ่งอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปในนิเวศของจิตตะาบดีนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นจิตตะาบดีเข้าไปหาท่านพระสุธรรมไหวแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสุธรรมบอกจิตตะาบดี ผู้นั่งหนาที่สมควรแล้วว่าท่านเตรียมของเคี้ยวของฉันไว้อย่างเพียงพอแต่สิ่งหนึ่งคือขนมแดกงาไม่มีในที่นี้จิตตค้าบดีกล่าวตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อพระพุทธพจทธมีอยู่มากมายแต่พระสุธรรมกลับมาพูดว่าขนมแดกงาท่านผู้เจริญเคยมีเรื่องเล่า ว, ว่าพวกพ่อค้าชาวทักคินาบทเดินทางไปค้าขายแถบตะวันออก พวกเธอนาแม่ไก่มาจากที่นั้นต่อมาแม่ไก่สมสู่กับพ่อกา ก, าก็ออกลูกเวลาที่ลูกไก่ตัวนั้นจะร้องอย่างกามันก็ร้องเสียงกาผสมเสียงไก่เวลาที่จะขันอย่างไก่มันก็ขันเสียงไก่ผสมเสียงกาฉันใดท่านผู้เจริญเมื่อพระพุทธพจน์มีอยู่มากมายพระสุธรรมมาพูดคำว่าขนมแดกงาก็เหมือนกันท่านพระสุธรรมกล่าวว่า ข้าพดีท่านด่าบริพาทอาตมานั่นวัดของท่านอาตมาจะไปละจิตขาขาพดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมมิได้ด่าบริพาทท่านขออาราธนาท่านอยู่ในอัมภะตะวันอันรุ่นรมเมือมมจิกาสนเถิดกระผมจะดูแลเรื่องจีวรบินดาบาเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารสาหรับท่าน แม้ครั้งที่สองท่านพระสุธรรมก็กล่าวกับจิตตะาบดีว่าฆาบดีท่านดา่าบริพาตาตมานั่นวัดของท่านอาตมาจะไปละจิตตะาบดีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมมิได้ดา่าบริพาท่านขออาราธนาท่านอยู่ในอัมพาตกะวันอันรื่นรมเมืองมัจิกาสนเถิดกระผมจะดูแลเรื่องจีวรบินบาตเสนาสนะ และคีฬานปัจจัยเพศรบริขารสําหรับท่านแม้ครั้งที่สท่านพระสุธรรมก็กล่าวกับจิตตะาบดีว่าข้าบดีท่านด่าบริพาตอาตมานั่นวัดของท่านอาตมาจะไปละจิตตะาบดีถามว่าท่านผู้เจริญท่านจะไปไหนท่านพระสุธรรมตอบว่าฆาบดีอาตมาจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่กรุงสาวัตถี จิตตะค่บดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นท่านจงกราบทูลคำที่ท่านและที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วให้พระผู้มีพระภาคทรงรับทราบทั้งหมดการที่ท่านจะกลับมาเมืองมัจจิกาสนอีกไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์แต่อย่างใดพระสุธรรมเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคต่อมาท่านพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแล้วถือบาทและจีวรเดินทางไปทางกรุงสาวถี จนลุถึงพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิเนกะโดยลำดับเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ตนกล่าวและเรื่องที่จิตตะฆาพดีกล่าวนั้นทั้งหมดให้ทรงทราบทรงตาหนิพระสุธรรมพระผู้มีพระภาคทรงตาหนิว่าโมคาบุรุษการกระทำอย่างนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสม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 รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นสงจงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุสุธรรมโดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมนั้นไปขอขมาจิตตค้าบดีวิธีลงปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงปฏิสารณียกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์ภิกษุสุธรรมครั้นแล้วให้ภิกษุสุธรรมให้การ แล้วจึงปรับอาบัตครั้นปรับอาบัตแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยัติจตุทกรรมาวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าจิตตะาบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นทายกเป็นผู้ทำงานเป็นผู้อุปถัมภ์สงภิกษุสุธรรมนี้ด่าด้วยคาตาช้าขูด่ด้วยคาตาช้าถ้าสงพร้อมกันแล้ว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 โดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมไปขอขมาจิตตะาปดีท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงปฏิสารณียกรรมกับภิกษุสุธรรมคือให้ภิกษุสุธรรมขอขมาจิตตะ้าปดีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าละถึงแม้ครั้งที่สาเขาพระเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญ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 โดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมไปขอขมาจิตตะคะบดีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงปฏิสารนียกรรมสงลงแล้วแก่ภิกษุสุธรรมโดยสั่งให้ภิกษุสุธรรมไปขอขมาจิตตะาะบดีสงเห็นด้วยเพราะเหตนนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ มะก ร, รมมะทวาทสกะว่าด้วยปฏิสารณียกรรมที่ไม่ชอบธรรมส2องหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระ ง, งับไม่ดีคือหนึ่งลงรับหลังสองลงโดยไม่สอบถามสไม่ลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลาย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 สองลงเพราะอาบัตที่เป็นอเทสนาคาไม่นีสลงเพราะอาบัตที่แสดงแล้วภิกษุทั้งหลายปฏิสารนิยกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีหมวดที่สภิกษุทั้งหลายปฏิสารนิยกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรม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 สองลงโดยไม่ชอบธรรมสงแบ่งพวกกันลงภิสุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่เก้าพิสุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัติที่แสดงแล้วสองลงโดยไม่ชอบทสมสมสงแบ่งพวกกันลงภิสุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหละมัวที่สิบพิสุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งไม่จดก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหละมัวที่สิบเอ็ดพิุทั้งหลาย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 และระงับไม่ดีมวดที่สิบสองภิษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งเคยหนึ่งไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบทำสามสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินยัย และระงับไม่ดีอาธรรมกกรมมะทวาทศกะในปฏิสารณียกรรมจบธรรมะกรมรมะทวาทศกะว่าด้วยปฏิสารณียกรรมที่ชอบธรรม12หมวดหมวดที่หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยสอบถามก่อนสลงตามปฏิญญาภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดี มัวที่สองพุททั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือหนึ่งลงเพราะต้องอาบัต 2. ลงเพราะอาบัตที่เป็นเทศนาคามินีสลงเพราะอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงภิกษสทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่า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 ปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงต่อหน้าสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่ห้าภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงโดยสอบถามก่อนสองลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่หภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงตามปฏิญญาสองลงโดยชอบธรรม สามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลมัวที่เจ็ดพิส<า>ุทั้งหลายปฏิสารนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึง่งคือหนึ่งลงเพราะต้องอาบัตสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลมัวที่แปด ภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัติที่เป็นเทศนาคาม่หนีสองลงโดยชอบธรรมสมสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลหมวดที่9ภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งลงเพราะอาบัติที่ยังไม่ได้แสดง สลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลม่วนที่สิบพิษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งโจรก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แล มัวที่สิบเอ็ดพิุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพลียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดีหมัวที่สิบสอง ภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระ ง, งับดีคือหนึ่งปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยชอบธรรมสามสงพร้อมเพียงกันลงภิกษุทั้งหลายปฏิสารณียกรรมประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรม เป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีธรรมกรรมะมทวาทสกะในปฏิสารณียกรรมจบอากังขะมานจตุกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงปฏิสารณียกรรมสี่หมวด หมวดที่ 1. ภิกษุทั้งหลายทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสาเณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. นึ่นขนควายเพื่อไม่ใช่ลาบของพวกครหัตสองขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของพวกครหัตสามขนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพวกครหัตสี่ด่าบริพาทพวกครหัสห้ายุโยงพวกครหัตให้แตกกันภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหลหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าแก่พวกครหัตสองกล่าวติเตียนพระธรรมแก่พวกครหัตสกล่าวติเตียนพระสงฆ์แก่พวกครหัต สีด่าผู้กระหัตด้วยคําต่ําช้าขู่ด้วยคําต่ําช้า 5. รับคําที่ชอบธทำของกระหัตแต่ไม่ทําตามภิกษุทั้งหลายทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุกกห้ า, ห า, หงงา ร, ร, ร, รูป คือหนึ่งรูปหนึ่งขนขวายเพื่อไม่ใช่ลาบแก่พวกครหัต ส, สองรูปหนึ่งขนขวายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ของพวกครหัต ส, สมรูปหนึ่งขนขวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพวกครหัต ส, สี่รูปหนึ่งด่าบริภาษ พ, พวกครหัตห้ารูปหนึ่งยุโยงพวกครหัตให้แตกกันภิกษุทั้งหลายทงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุหรูปเหล่านี้แลมวดที่สี่ ภิกษุทั้งหลายทรงเมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุอื่นอีกหรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าแก่ผู้ครหัตสองรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรมแก่ผู้ครหัตสามผูหนึ่งกล่าวติเตียนพระสงฆ์แก่ผู้ครหัตสี่รูปหนึ่งด่าผู้ครหัตด้วยคําต่ําช้าขูด้วยคําต่ําช้า 5. รูปหนึ่งรับคําที่ชอบธรรมของครหัตแต่ไม่ทําตาม ภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุห้ารูปเหล่านี้แลอ้ากลงขะมาณจตุ ก, จ ก, กะจบอัธรสวัตตะว่าด้วยว่า18ข้อในปฏิสารณียกรรม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 เไม่พึงต้องอาบัติอื่นทํานองเดียวกัน8ไม่พึงต้องอาบัติที่เลวซามกว่านั้น9ไม่พึงตําเนียกรรม10ไม่พึงตําหนิยพิษุผู้ทํากรรม11ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปะกะตตะพิษุ12ไม่พึงงดปวารณาแก่ปะกะตตะพิษุ13ไม่พึงทําการไต่สวน14ไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิก่อน 15. ไม่พึงขอโอกาสพิกษุอื่น 16. ไม่พึงโจทย์ิกษุอื่น 17. ไม่พึงให้พิกษุอื่นให้การ 18. ไม่พึงชักชวนกันก่นกอความทะเลาะอธารสสวตะในปฏิสารณียกรรมจบ